ปรุงแต่งอยู่นั่งอยู่เนี่ยอยู่กับธรรมชาติในใจมันกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติซะถ้าเราพยายามไปปรุงแต่งกําหนดเพ่งอยู่ภายในมันจะไม่เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติในใจมันค่อยๆกลมกลืนไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติอย่าพยายามปรุงแต่งอะไรภายในถ้าเราไปพยายามกําหนดเพ่งมันจะไม่กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเราจะไม่ได้สัมผัสธรรมชาติในใจของเราจริงๆ อายใจเป็นธรรมชาติแท้จริงหยุดปรุงแต่งหยุดดิ้นรนหยุดคนขว้าหยุดแสวงหาหยุดอยากถึงอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากเป็นหยุดพยายามทำอะไรเป็นอะไรหยุดสะบ้างทำมากเยอะแล้วมาขนาดนี้ลองฝึกหัดหยุดบ้างฝึกหัดหยุดให้เป็นหยุดปรุงแต่งให้เป็นเดี๋ยวเราไม่เคยเลยไม่รู้ว่าจะหยุดยังไงหยุดไม่เป็น หยุดปรุงแต่งภายในให้เป็นถ้ามันเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติค่อยๆสังเกตไปวันนี้เราก็ปล่อยวางการสังเกตด้วยให้มันเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติอย่าปล่อยมันฟุ้งซ่านไปเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าปล่อยปรุงแต่งฟุ้งซ่านออกไปให้มันเนี่ยนั่งอยู่ทำกลางสายลมแสงแดดอยู่ใต้ลมโพล่มชายใหญ่ อายุเปเลยร้อยปีนี่มีพุทธเจ้าเป็นประธานมีพระสงฆ์มีพระแม่กุบาจารย์มีกุบาจารย์สั่งสอนอบรมให้เราอยู่ที่นี่แสดงธรรมของพุทธเจ้าตรงนี้แต่ทำแท้จริงเนี่ยมันก็ที่แสดงธรรมยังเป็นธรรมสมมุติเป็นยังเอาสมมติบัญญัติมาพูดเอาภาษาสมมติบัญญัติเมาพูดมาแสดงแต่ทำแท้จริงนี่คือธรรมชาตินี่เนี่ย ให้เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติสะใจกลมเกลือเป็นหนึ่งเดียวธรรมชาติหนึ่งเดียวธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวธรรมชาติยังไงเป็นหนึ่งเดียวธรรมชาติที่ภายในใจอย่าไปปรุงแต่งอะไรอยพยายามดิ้นรนทําอะไรเป็นอะไรหยุดกําหนดหยุดเพ่งหยุดพิจารณาหยุดดิ้นรนแสวงหาหยุดเอาสมุติบัญญัติมาเอาสัญญามาปรุงแต่งอะไรทั้งหมดหยุดอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากเป็น ใ, ใจเป็นหนึ่งเดียวกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติในที่นี้เนี่ยฟังเสียงนกร้องฟังเสียงจั ก, กจั่นร้องเนี่ยนกร้องกันนี่ละเงิงไปหมดเลยนกเยอะมากเลยที่นี้ต้นไม้เป็นสวนป่าเลยลมลืนมีน้ำอยู่ใกล้มีต้นน้ำย่า มีลมโพล่มไทใหญ่อยู่ไปหลร้อยปีมีพุทธเจ้าประทานนั่งฟังธรรมท่ามกลางป่าหญ้าไรใต้ต้นไม้ต้นโพล่มไทย้อนยุคสมัยพุทธเจ้ามานั่งฟังธรรมต่อหน้าพุทธเจ้าสมัยก่อนก็คงนั่งฟังธรรมอยู่ใต้ต้นโพนี่แหละต่อหน้าพุทธเจ้าใต้ต้นไม้พระเจ้าแสดงธรรมก็แสดงอยู่ใต้ต้นไม้เป็นต้นใหญ่นี่แม้แต่พระมหากษัตริย์เศรษฐีหมาเศรษฐี ทำมาตศก็รับจบริบานทั้งหลายก็นั่งฟังธรรมในธรามกลางธรรมชาติเมื่อใจเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาตินั่นแหละที่จะพบกับความสุขเมื่อไหลใจเราเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติมั่อใจมันจะสิ้นความปรงแต่งหรือใจสิ้นความปรงแต่งเมื่อไหลใจก็จะเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาตินั่นแหละตีจะพบกับความสุขเรจะเพ้นทุกอย่างถาวรได้ถ้าเราเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่สิ้นความปรงแต่งอย่างถาวร เวลาเราจะตายเราก็ต้องเป็นอย่างนี้หยุดเพ่งหยุดพิจารณาหยุดกำหนดอะไรทั้งหมดปล่อยวางพร้อมไม่เอาอะไรเลยไม่ยึดถืออะไรเลยหยุดพยายามทำอะไรเป็นอะไรหยุดดิ้นรนหยุดค้นหาหยุดหาถูกหาผิดหยุดหาเหตุอาผลหยุดดิ้นรนแสวงหาแม้แต่หยุดแม้แต่ดิ้นรนจะแสวงหาผฏิตภัยก็หยุดสนิท ไมต้งจิตออกนอกไปไหนให้ใจเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติในทีน่นี้แล้วท่านจะจะรู้ได้ในใจของท่านเองว่านัตถิสันติพรังสุขขังใจที่สงบจากความปรุงแต่งดินรนทยานอยากนั่นแหละเป็นสุขอย่างยิ่งหรือใจที่สงบจากความดิลลนทยานอยากสงบจากความปรุงแต่งดินรนทยานอยากนั่นแหละ เป็นความสุขอันสูงสุดนี่เนี่ยคือปณิพานเพราะนิพานังปรมังสุขังนิพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพานังปรมังสุญญ์ยังนิพานเป็นสุขอย่างยิ่งก็เพราะนิพานังปรมังสุญญ์ยังนิพานคือว่างเปล่าจากความปรุงแต่งดิลลนทยานยากว่างป่าจากความปรุงแต่งยึดถือไดใดทั้งหมดจึงเป็นนิพานังปรามังสุขัง นิพพานเนี่ยเป็นความสุขอันสูงสุดความสุขอันสูงสุดก็คืออะไรนัตติสันติปรางสุขขังความสุขอันสูงสุดก็คือใจที่สงบจากความปรุงแต่งดินรนทยานอยากนั่นเองเป็นความสุขอันสูงสุดต้องฝึกอดปล่อยวางให้เป็น ฝึกหัดหยุดความปรุงแต่งให้เป็นไม่ใช่เอาแต่ปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งตลอดเวลามาอยู่ที่นี่ต้องหยุดฝึกหัดที่จะหยุดปรุงแต่งอยู่กับธรรมชาติฟังเสียงนกร้องเะบ้างฟังเสียงจ้กรจันเถอะบ้างอยู่กับสายน้ำอยู่กับสายลมแสงแดดอยู่กับธรรมชาติป่าไม้อยู่ใต้ลมโพลลมใจอยู่ต่อหน้าสงอบใจอยู่กับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระพระสงฆ์ ทีอยู่ต่อหน้าท่านทั้งหลายในลมโผลมใส่นี้้ท่านจะพบเพบยียงว่าใจที่สงบจากความปรุงแต่งมันเป็นสุขอย่างยิ่งยังไงความสุขที่ท่านมีอยู่ในโลกทั้งหมดเนี่ยท่านว่ามันเป็นความสุขแต่ความสุขอย่างนั้น่ะมันสุขสุขดิบดิบ เป็นแฟนกันมันก็มีความสุขมีความรักกันเดี๋ยวก็ทะเลาะกันบ้างเดี๋ยวก็งอนกันบ้างใช่ไหมเดี๋ยวก็สุกถุ ก, ถ ก, ถกดิบดบิพอแต่งงานแล้วเป็นสามีภรรยาแล้วก็โอ้เจอกันเป็นแฟนใหม่ๆก็ใจสัน่นเหมือนไฟช็อตอยู่เป็นนานๆเขาก็โอ้แต่งงานแล้วก็มีแต่ทะเลาะกัน ในตอนเป็นแฟนการเจอกันในใหม่ก็ไปช็อตใจสั่นแต่พอแต่งงานแล้วก็ไปช็อตกัน่ะแต่ไปช็อตจะเป็นทุกข์เดี๋ยวก็ช็อตกันแล้วเดี๋ยวก็กัดกันแล้วแล้วก็ทะเลาะกันแล้วเดี๋ยวก็งอนกันแล้วชีวิตเราสั้นนะโอกาสที่เราจะเนี่ยได้สัมผัสธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่สิ้นความปรุงแต่งเนี่ย ฟังชีวิตบางทีไม่เคยเจอเลยตายไปแล้วอาอยุเรามันน้อยนะักสั้นนะไม่ช้าก็แตกดับทําลายหมดเนี่ยไม่ละใจแต่เร า, าเดี๋ยี่ี้คือเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่จริงความปรุงแต่งสัทีเวลาจะดับจิตก็ต้องคืนเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติให้ได้จะได้พ้นทุกข์ยางถาวรได้ไม่ต้องไปเกิดอยู่ในภพได้ปรุงแต่งเพราะความปรุงแต่งเนี่ยจึงต้องไปเกิดอยู่ในภพนรกเป็นเปรต เป็นสัตว์เฉานไปจากความปรุงแต่งทั้งหมดนรกก็ไปปรุงแต่งที่เป็นทุกข์ไปจากเปรตอสุรกายก็ปรุงแต่งเป็นความโลภความโกรธสัตว์เดรัจฉานก็ปรุงแต่งหมกมุ่นในกามเทวดาก็ปรุงแต่งในฝ่ายทานศีลภาวนาในฝ่ายบุญกุศลเนี่ยเป็นมนุษย์ก็มาจากสองทางคือมาจากสวรรค์เป็นบุญมาเกิดกับฝ่ายทีเป็นบาปพ้นโทษจากในนรก ผลโทษจากขุมนรกขุมลึกเรื่อยลงมาตั้งแต่ขุมตื้นมาเกิดเป็นเปรต เ, เป็นสัตว์กายแล้วมาพ้นโทษต่ําสุดก็คือสัตว์เดรัจฉานเหมือนเราเนี่ยโดนโทษหนักแล้วก็ค่อยเลื่อนมาเป็นโทษเบาลงมาเบาลงมาแล้วก็จุกทัางโทษเบาที่สุดก็มาเป็นสัตว์เดรัจฉานเลื่อนมาแล้วก็พ้นจากสัตว์เดรัจฉานแล้วก็หมดโทษแล้วจึงได้มาเกิดเป็นคนสักทีหนึง่งแต่เกิดเป็นคนที่มาจากฝ่ายต่ําเนี่ย มาจากนรกมาจากเศษอสุรกายมาจากสัตว์เดรัจฉานมาจากแต่ตะพ้นจากนรกเลยนี่มาถึงขุมที่มันต่ำสุดตะพนมาเลยวกนีโอกาสที่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะเป็นอาญากรจะทําบาปกรรมในจำนวนมากแลว้วจะกลับคืนสู่นรกอีกจะเหมือนพวกที่ได้รับนักโทษที่ได้รับอภัยโทษตอนวันที่ห้าธันวา สมัยของพระบาทสมเด็จระอยู่ัวริชกาลที่9หรือ12สิงหาของสมเด็จพระนางเจ้ารจินีนานพอได้เราเอาพยาโทษมาสมัยก่อนดุตงตาเป็นผู้บักษาัาเซ็นหมายปล่อยพวกนี้ออกเยอะมากเลยแต่เสร็แล้วก็ต้องเซ็นหมายรับพวกนี้เข้ามาในเรือนจำเป็นแถวเลยทำความผิดกันเป็นแถวเหมือนกลับมากลับเข้าเรือนจากันกืบหมดเลย โอกาสที่กลับตัวกลับใจเฉพาะคนที่ไปทำความผิดเพราะประมาททั้งเผลอตามใจกิเลสเท่านั้นแหละจึงสามารถกลับตัวกลับใจได้พวกที่เป็นอัจฉริยกรทำความเชื่อโดยสันดานไม่ยอมกลับไม่ยอมกลับตัวกลับใจต้องกลับเข้าคุกเข้าตารางกลับไปรับโทษทันที่วางแผนป้นก็นมาแต่ในคุกพวกนี้ร้ายจริงๆเลยเอาให้ฝ่ายนี้ไปป้นบานญาตัตวเอง อีกฝ่ายหนึ่งวางแผนไปป้นญาติของฝ่ายตัวเองตัวเอ ง, เองไม่ไปป้นแต่ให้ให้วางแผนกันตั้งแต่อยู่ในคุกให้สลับขั้วไปป้นบ้านญาติขนตัวเองบางทีญาติพ่อแม่ของตัวเองสู้เข้าเลยโดนฆ่าตายมาฟ้องศาลหนึ่งสื่อพยานไปสื่อไปเดืบ ม, มาโอ้ยพวกนี้มันวางแผนกันในคุกนั่นเนี่ยคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์มาจากฝ่ายต่ํำนี่โอกาสที่มันจะทําบาปกรรมชั่วมีมากเลยแล้วมันกลับไปดูบาปกรรมชั่วอีก สังเกตดูก็มาจากเฉพาะคนที่ทําความผิดพลาดไปโดยอกิเลสกิเลสมันลากเขาไปแล้วไปทําความผิดชั่ววูบพวกนี้จะกลับตัวกลับใจได้แต่พวกที่ทำความผิดโดยสันดานไม่ยอมกลับกลัวกลับใจได้แต่พวกที่ฝ่ายทางศีลภาวานามาจากสวรรค์ลงมาเกิดเป็นมนุษย์สร้างบารมีต่อพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนดีเกรงกลัวต่อบาปไม่อยากทํากรรมชั่ว เก่งมีหิลิโอตาปะละอายกระจายเก่งกลัวตวบาะพวกนี้ก็จะทําความดีสูงส่วนขึ้นไปละบาปแล้วคิดดีพูดดีทําความดีทานศีลภาวนาเร่งทําสูงขึ้นไปกว่าเดิมอีกสูงขึ้นไปอีกจากเดิมที่มาจากสวรรค์สูงกว่าไปตอนไปสวรรค์ทานศีลภาวนาจึงไปสวรรค์ชั้นสูงได้เสร็จแล้วพอพวกนี้มาเกิดเพราทานศีลภาวนามาเกิดเป็นใหญ่เป็นโตเป็น มียศถาบรรดาศักด์เป็นเป็นพระมหากษัตริย์เป็นมหาเศรษฐีเป็นที่ผู้มียศมีตําแหน่งเพราะทานศีลภาวนาที่เด้งทําไว้มาเกิดใหม่ละบาปกรรมชั่วเด้งทําในทานศีลภาวนาทานก็ต้องไล่มาตั้งแต่มีปัญญาเป็นผู้ทําให้ทานก็มีปัญญารักษาศีลก็มีปัญญาภาวนาก็เป็นผู้มีปัญญาแม้แต่การให้ทานก็ไม่ถูกเขาหลอกเพราะว่าเป็นผู้มีปัญญาก็ ฟังจากพุทธเจ้าเชื่อในพุทธเจ้าศรัทธานในพุทธเจ้าในคําสอนของพุทธเจ้าเชื่อในธรรมคําสอนเวลาจะให้ทานก็ให้ทานตั้งแต่สูงสุดปัจจนถึงมีโอกาสก็ให้แก่สัตว์เดรัจฉานให้แก่มนุษย์ที่ตุสินให้สัตว์ให้ทานพุทธเจ้าตัดไว้ให้ทานแกสัตว์เดรัจฉานหนึ่งร้อยครั้งไม่เท่าให้ทานแก่มนุษย์ ทิศิลหนึ่งครั้งไม่ทานแก่มนุษย์ทิศิลหนึ่งร้อยครั้งไม่ไม่เท่ากับให้ทานแก่มนุษย์ผู้มีศีลหนึ่งร้อยครั้งให้ทานแก่มนุษย์ผู้มีศีลไล่ไปแ่ศีลห้าศีแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดหนึ่งร้อยคูณหนึ่งร้อยคูณหนึ่งร้อยไม่เท่ากับให้ทานแก่มนุษย์ที่บรรลุโสดาบันหนึ่งครั้งถวายทานแก่มนุษย์ผู้บรรลุโสดาบัน หนึ่งร้ยครั้งไม่เท่ากับถวายทานแก่มนุษย์ที่บรรลุและกีตาคามีหนึ่งครั้งมนุษย์นี่รวมทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพระพิสุสมมาเนนไมชีอุบาสกอุบาสิกาหรือว่าฆราวาสขอให้บรรลุตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเรียวกว่าพระหมดโสดาบันคือเป็นพระที่ใจแล้วเรียกว่าพระเป็นพระที่ใจ บวชใจเรียบร้อยแล้วเป็นพระโสดาบันเรียกว่าพระโสดาบันเนี่ยให้ทานแก่มนุษย์ที่มีศีลอย่างไรก็ตามไม่เท่ากับให้ทานถวายทานแก่ผู้ที่บลุแต่โสดาบันสกิตาคามีอนาคามีอรหันต์เรียงตามลําดับไปให้ทานแก่ถวายทานแก่พระอารหันต์องค์เดียวไม่เท่ากับถวายทานแก่หมู่พระอรหันต์ถวายทานแก่หมู่พระอรหันต์ไม่เท่ากับถวายแก่สังฆทานแก่มีพุทธเจ้าเป็นประธาน ถวายักกทานไม่เท่ากับสร้างวัดวาลามถวายพระพุทธเจ้าถวายพระพระสงค์แต่ทั้งหมดทานทั้งหมดแม้จะมีบุญบา ร, รมีมากเรียนตามลําดับมามีบุญกุศลมากก็ตามไม่เท่าสัพพะทานนางธรรมะทานนางทีาทานนาง่นาติการให้ธรรมะเป็นทานเหนือกว่าการให้ทานใดๆทั้งมวลอย่างเนี้ยเหมือนกับมาให้ทานธรรมะพวกท่ า, ทานทั้งหลายในวันนี้ เราก็มันขยันมันเพียรประพฤปฏิบัติธรรมจนเรารู้ทางเห็นทางจนใจเป็นธรรมรู้ธรรมแล้วก็ที่แนะผู้อื่นปฏิบัติได้แล้วก็ประสบการณ์ไปบอกเล่าให้ผู้อื่นฟังช่วยเหลือเกือ้อกูลผู้อื่นอันนี้ก็เรียกว่าให้ธรรมะเป็นทานเหนือการให้ทานใดๆทั้งมวลครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งนี่บุญกุศลใหญ่กว่าการให้ทานถวายทานที่มีวุทธเจ้าเป็นประธานนี่ แต่พระเจ้าก็ตัดว่าแม้แต่จะให้ธรรมะเป็นทานสูงส่งแล้วมีหรือว่าถวายทานที่มีพระเจ้าเป็นประธานแล้วไม่เท่าให้อภัยทานดังนั้นในอที่เราเนี่ยไปให้ทานนทสิถูกโกาโกโหกหลอกลวงว่าเทวต้องถวายให้เงินมีเงินมากๆเท่านั้นล้านได้โสดาบาันเท่านี้ทําเท่านั้นล้านได้ตะกิตาคามีทเท่านั้นล้านได้อนาคามีทําจนหมดเรื่องหมดตัวไม่รู้กี่ล้าน ติล้านร้อยล้านจงได้เป็นอนะัลลฮันนเน่ะเด็กเหลอกต้มอันนี้มันจริงๆแล้วเนี่ยอยู่กับบ้านยังให้ทานสูงสุดได้คือให้อภัยทานใครที่เราทําให้เราเจ็บจํานําจ่ายโกรธแค้นแคนเคืองค้างคาปลูกใจเจ็บอาฆาตปัจบาตให้อภัยหมดเลยถ้าให้อภัยได้หมดไม่มีอะไรไม่มีผู้ใดเลยที่ค้างคาแค้นเครืองผูกใจเจ็บอาฆาตปัจจัย ท, ที่ใจเรานั่นแน่ บุญกุศลสูงสุดกว่าการให้ทานใดๆทั้งมวลลองลงมาจากการสละกิเลสเป็นทานเท่านั้นเองเพราะการให้อภัยทานยังยงเป็นการดับกิเลสในฝ่ายที่ไม่พอใจแต่ยังไม่สามารถดับกิเลส ท, ท, ที่เป็นความรักดับได้เฉพาะกิเลสที่เป็นความชังแต่ยังดับกิเลสที่เป็นความรักความลุ่มหลงไม่ได้กิเลสฝ่ายโมหะถ้าเราตั้งใจ อธิษฐานจิตจะปฏิบัติไอจิตกิเลสบรรลุปณิพนพ์ในปัจจุบันนี้ให้ได้คาอธิษฐานคำสัจจะสาบาลที่ให้ไว้กับใครวัตถุภพทุกชาติก็ขอถอนเรียงทั้งหมดขอปรารถนาที่จะเป็นเพียงแค่พระอาหาันสาวกของพระสัมโโมาโัมพุทปัจจุบันนี้เท่านั้นแล้วขออธิษฐานบุญบา ร, รมี คุณงามความดีทั้งหมดที่ทํามาแล้วบวกกับพุทธคุณธรรมะคุณประสังฐคุณว่าคุณบิดามารดาคุณของพ่ อ, อแม่ครูบาอาจารย์ก็ได้ไอสิ่งกิเลสเป็นรุปนิพพานในปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้ด้วยเทินอันเนี้ยเมื่อตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วมุง่งประพฤติปฏิบัติตามสัจจะอธิษฐานที่ให้ไว้เป็นสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีแล้วที่เหลืออีกแปดข้อบารมีสิบอะ ปแป็นละสองข้อสัจจะบา ร, รมีอธิฐานบา ร, รมีเหลือบา ร, รมีสิบข้อพยายามทำให้มันเต็มในทุกขณะปัจจุบันได้แก่ความเพียรวิริยะบา ร, รมีกับเพียรให้ได้อย่างสัจจะอธิฐานพ่าเราอธิฐานแล้วจะให้มันสิ้นกิเลสปุญญานในปัจจุบันก็เป็นวิริยะบา ร, รมีเป็นขันติบา ร, รมีอดทนอดกลั้นข่มใจระงับยับยั้งชั่งใจจะปล่อยให้คิดพูดทําไปตามกิเลสก็เป็นขันติบา ร, รมีเนี่ยการที่เราตั้งใจที่จะสละกิเลสเป็นฐานก็เป็นฐานบา ร, รมีสูงทรง เนี่ยแล้วเราไม่คิดจะเบียดเบียนผู้อื่นในี่ยไปทุกเดือดร้อนเนีเบียดเบียนตนเองไปทุกเดือดร้อนตั้งการคิดการพูดการกระทำก็มีเมตตาบา ร, รมีเมตตาตนเองเมตตาผู้อื่นเนี่ยเป็นอุเบกขาบา ร, รมีอ๋อ au, ใจเป็นกลางใจเป็นกลางอุเบกขาบา ร, รมีเนี่ยเป็นทานบา ร, รมีเป็นศีนลบารมีเป็นปัญญาบา ร, รมีเนี่ยใจมันก็สงบล่มเย็นเป็นศีนลบารมีเป็นปัญญาบา ร, รมี ก็เป็นผู้ที่มีปัญญามุ่งสู่มรรคผลนิพพานเหนือนคนทั้งโลกพยายามขัดใจตนเองเอาชนะใจตนเองได้ชนะกิเลสไปได้ในที่สุดเป็นผู้ที่มีปัญญาเหนือนคนทั้งโลกเหนือนสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็เป็นเนคขมะบาลมีคือความปรารถนาที่จะพ้นจากทุกข์บาลมีสิบครบในปัจจุบันเลยม่ หลายคนก็ใจว่าผิดว่าบารมีสิบเอาไปเอาจะไปสร้างเป็นพุทธเจ้าเท่านั้นน่ะแต่จริงบารมีสิบเนี่ยมาใช้ทุกอย่างนาะไม่ว่าจะเป็นมหาจักรพรรดิเป็นมหาเศรษฐีเป็นใหญ่ในสวรรค์เป็นเป็นเป็นพญายมบาลในนรกล้วนต้องมาจากบุญบารมีจากบารมีสิบเทงานั้นแหละจึงได้เป็นเป็นใหญ่เป็นโตต่างๆเนี่ยแม้แต่จะบรรลุวิญพานก็ต้องบารมีสิบแต่วุทธเจ้าเนี่ยบารมีสิบทาอย่างอย่างธรรมดาแล้วก็อย่างอย่างกลางและอย่างยากที่สุด คือทานนี่สละอย่างกลางคือสัทานธรรมดาก็ทําแล้วสละหมดแล้วก็ทานอย่างกลางก็คืออคือขอวิญวะให้อ ว, วิยวะหมดเลยขอลูกตาคว้าลูกตาให้เลย mm hmm. พระเจ้าสละมาจนถึงที่สุด mm hmm. แล้วก็ทานที่ยากที่สุดคือขอชีวิตเป็นทานพระเจ้าก็ก็ให้เลยให้ชีวิตเป็นทานได้ไม่อิจเอื้อนเลย mm hmm. อันนั้นเนี่ยพระเจ้าทําในบรารมีสิบอะ แต่บารมีสิบทำอย่างอย่างปกติและทำอย่างกลางและอย่างยากที่สุดอย่างกลางคนทั้งหลายก็ทำไม่ได้แหละพุทธเจ้าทำอย่างยากที่สุดขอชีวิตให้ชีวิตจึงมาเป็นพุทธเจ้าได้แต่ธรรมดาอารหันต์แค่บารมีสิบเท่านั้นอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตเป็นมามาจักรพัฒน์เป็นใหญ่เป็นโตในโลกมนุษย์ในโลกสวรรค์แม้แต่เป็นพญายมราชในชั้นนรกก็ต้องมาจากบารมีสิบทุกคนเนี่ย ที่มาได้ดีมีสุขก็เพราะบา ร, รมีสิบที่สร้างมาฐานศีลภาวนาบา ร, รมีสิบถ้าไม่มีฐานศีลภาวนามันไม่มาจะรู้ลุ่งเลืองอย่างนี้ได้หรอไม่มีโอกาสมานั่งฟังธรรมแต่จนโพล้มโพล้มใสต่อหน้าพระพุทธเจ้าต่อหน้าพระธระรมต่อหน้าพระสงฆ์ที่มาแสดงธรรมมีวิเจ้าเป็นประธานหรอกที่มันย้อนยุคนะสมัยพุทธกาลเลย ได้มานั่งฟังทมยอนยุกใต้ลมโพลลมสายตรกลางป่าไม้ทํากลางพื้นยาทํากลางน้ำทํากลางลมโพลลมสายเสียงนกเสียงจั ก, กระจัดลองมีลมพัดมีแสงแดดลมเย็นเป็นสุขนั่นแหละตังชีวิตบางเคยบางคนไม่เคยเจอเลย มีแต่อยู่ในห้องแอร์มีแต่ทำทำทำธุรกิจหาเงินหาเงินหาเงินหาเงินหาเงินเสร็จแล้วเงินที่หามาทั้งหมดก็ไปรักษาตัวเองตอนเจ็บไข้ได้ป่วยหมดตายไปก็ไปไม่ได้สมบัติกี่หมื่นล้านแสนล้านที่กอบโกยมาที่สุดตอนตายไม่ได้ไปได้ทักสลึงเนี่ยโอกาสหายากมีพุทธเจ้าเปประธานนี้มีพระธรรมพุทธเจ้าแสดงอยู่มีทำมีพระสงค์ สแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าแต่นี่ก็ยังเป็นธรรมสมมตินะธรรมที่แสดงอ่ะยังเป็นธรรมสมมติเพราะต้องเอาภาษาสแสดงธรรมเป็นภาษาไทยอ่ะภาษาไทยที่มาสแสดงได้พูดได้นี่ก็เป็นตัวสมมติบัญญัติยังเป็นตัวสมมติเนี่ยย่าเป็นธรรมสมมุติธรรมแท้จริงอ่ะคือใจของท่านทิกตุนเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมาชาติกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมาชาติที่สิ้นความปรุงแต่งนะแต่ในขณะปัจจุบันเนี้ยใจของท่านสิ้นความปรุงแต่ง สิ้นปรุงแต่งคิดนึกติดตอนปรุงแต่งตรงจิตออกนอกไปหาใครปรุงแต่งไปหาอาดีตอนาคตอยู่กับปัจจุบันนี้อยู่กับธรรมชาติในปัจจุบันรอบตัวท่านนี้อยู่ในที่นี้ใจของท่านก็อยู่ที่นี้อยู่กับธรรมชาติในที่นี้ฟังเสียงนกเสียงจักจันท์เสียงธรรมชาติลมพัดอยู่กับทำกางไซลมแสงแดดอยู่กับธรรมชาติป่าไม้อยู่กับสนามหญ้าอยู่กับน้ํา อยู่กับลมอยู่กับแดดอยู่กับดินอยู่กับธาตุตามธรรมชาติเพราะร่างกายเราจิตใจเราก็มาจากธาตุที่รวมกานธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแล้วก็ธาตุรู้มารวมกันเป็นธาตุที่มารวมกันเพราะนั่นเราเนี่ยก็มานั่งกับคืนสู่ธรรมชาตินั่งอยู่บนพื้นดินนั่งอยู่บนสนามหญ้าอยู่ท่ามกลางสายลมแสงแดดอยู่กับน้าเนี่ย เหลือแต่ความรู้ความรู้อยู่มีความรู้ตัวอยู่ว่าเนี่ยแน่ณขนาดเนี้ยจะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันในนี้ในที่นี้อยู่กับปัจจุบันในที่นี้ไม่ไปอดีตไม่ไปอนาคตไม่ปรุงแต่งวุ่นวายไปไม่ต้องจิตออกนอกไปหาใครอยู่กับปัจจุบันอยู่กับตัวอยู่กับใจของตัวเองอยู่กับตัวอยู่กับใจของตัวเองอยู่กับความรู้อยู่กับความรู้ ความรู้นั่นแหละอยู่กับรู้ตัวว่าเนี่ยใจอยู่กับปัจจุบันหน้าที่นี้ไม่ได้ทรงจริตออกนอกไปไหน <multif. S 1> ความรู้นี่เนี่ยเรียกว่าอ ย, ธธอยู่กับพุทโธพุทธะอยู่กับพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่ได้หมายถึงว่าเป็นพระองค์ที่เป็นหินอยู่ข้างหลังเราเนี่ยเป็นหินแกะสลักหมายถึงพุทโธพุทโธพุทธะก็แปลว่าผู้รู้อยู่กับผู้รู้ผู้รู้ตัวอยู่ว่า จิตใจอยู่ในที่นี้อยู่กับธรรมชาติในที่นี้ก้มคืนเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติในที่นี้ไม่ได้พุ่งแต่งพุ่งสร้างอะไรไปไม่ได้ทรงจิตออกนอกไปหาใครไม่ได้ทรงจิตออกนอกไปหาอดีตอนาคตอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันที่สิ้นความดิ้นลนทยานอยากสิ้นความรุงแต่งดิ้นลนทยานอยาก สิ้นความปรุงแต่งพยายามจะทําอะไรให้เป็นอะไรพยายามจะทําอะไรเพื่อให้ถึงอะไรแม้แต่พยายามจะทําให้จิตสงบก็ยังไม่มีเลยปล่อยวางการพยายามจะทําอะไรเพื่อให้เป็นอะไรได้หมดสิน้นต้องฝึกอย่างนี้เพราะเวลาจะดับจิตสุดท้ายต้องเป็นอย่างนี้หยุดเพ่งหยุดพิจารณาหยุดกําหนดใดๆทั้งหมดหยุดดินน้นรนหยุดค้นหาหยุดอยากถึงอยากได้อยากเป็นไม่เอาอะไรเลยไม่ปรารถนาใดๆเลย ปล่อยทุกอย่างดับสนิทไปไม่มีส่วนเหลือเหลือแต่ความมีแต่ความรู้เท่านั้นเนี่ยว่า บ, บัดนี้สิ้นความปรุงแต่งแล้วแบบัดนี้สิ้นความปรุงแต่งแล้วเป็นหนึ่งกลมกลืนจิตใจเป็นกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่สิ้นความปรุงแต่งไม่ตรงจิตออกนอกไปหาอดีตไปหาอนาคตไปหาคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่กับปัจจุบันในที่นี้ ความรู้ความรู้ว่าจิตใจอยู่กับปัจจุบันในที่นี้มีความรู้อยู่ตลอดเวลารู้ตัวอยู่ตลอดเวลาความรู้นั่นแหละที่รู้ตัวตลอดเวลาว่าจิตมันสิ้นความปรุงแต่งตรงจิตออกนอกไปหาดีตหานาคตลาคนนั้นลาคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้หยุดอยากถึงอยากได้อยากเป็นหยุดดิ้นรนพยานอยากหยุดดิ้นรนพยายามจะทําอะไรให้เป็นอะไรหยุดเพ่งหยุดพิจารณาหยุดหยุดกําหนดปล่อยวางพร้อม ดิลมปูดูนัโตโรเรียกว่าเปล่าเปล่ า, ล า, ลาบริสุทธิ์เราปฏิบัติมาทั้งหมดก็เพื่อมาถึงจุดนี้ปล่อยวางทั้งหมดเพื่อกับคืนสู่จักรวาลเดิมหรือมหาสุญญตาคือจิตเดิมแท้ๆนั่นเองกับคืนสู่จักรวาลเดิมเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลเดิมที่สิ้นความพงแต่งใดๆทั้งหมดเราอยู่ในโลกพงแต่งมาเยอะมากแล้ว ตั้งชีวิตอาจจะไม่เคยหยุดปรุงแต่งเลยมาอยู่ในที่นี้ต้องหยุดปรุงแต่งให้เป็นเวลาตายท่านจะต้องหยุดปรุงแต่งไม่ใช่เวลาจะตายแล้วเล่งปรุงแต่งต้องปล่อยวางให้หมดดับความปรุงแต่งสนิท ด, ดับความที่โลภยานอยากสนิทไม่มีส่วนเหลือ